เรื่องสงการโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอออำนวยพรสิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือเกล็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจบังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนา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 ไม่ต้มีใครบอกก็รู้จักกันเอาเองรู้กันตั้งแต่เด็กๆจนถึงผู้ใหญ่ <c oughs> คือวันสงการวันสงการปีนี้ก็เหมือนกับทุกๆปีโดยกำหนดเอากลางกลางเดือนเกือบจะกลางเดือนห้าเดือนเมษา หนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุลงประความข่าวชาวเขาลืมดอยชาวบ้านนอกลืมท่องไรท่องนาชาวเมืองหลวงกว็คงจะลืมนะครเที่ยวกันให้สนุกสานานจะหาว่าไปแล้วคนไทยแล้วนี่เป็นคนมีความสุขกว่าคนชาติอื่นถ้าจะว่าไปแต่สุขแบบ แบบสนุกสนานเพลิดเพลินนะสุกอไก่เขาสุกอสุกไม่ใช่สุก ข, ขอไข่หนะวันแต่จะสนุกสนานเพลิดเพลินจะว่าสุกหรือมันก็ไม่ใช่เขาอยากว่าสนุกมากกว่าถ้าสนุกอย่างนี้มันก็มีความเพลิดเพลิน ในทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าความทุกข์นั่นเองนั <c oughs> นีินโตทุกขิดโตโหมิผู้เพิดเพิินนั่นแหละผู้มีความทุกข์ผู้ที่มีความทุกข์นั่นแหละจึงเพิดเพิ่อนดูสนุกสนานเพิดเพิินกันเลือกเกินอาจจะมากอะ ด, ดูดูอยู่ คิดว่าวันสงการมีแต่คนมานิมนต์ไปเทศตรงนน้นตรงนี้อย่าไปเลยดีกว่ามันเอาเปรียบกันตั้งท่าอยู่ที่วัดใครจะมาก็มา <c oughs> จะเทศให้ฟังก็ไม่มีใครอยากจะมาแหละเพราะว่ามันไม่สนุกทีนี้ท่านทั้งหลายกันเลยนิมนต์ขึ้นมาหาเทศกันบนบ้านเอายังไงยังไงก็อดก็ทนอันนี้มันสายนะ พวกที่นั่งอยู่ข้างนอกมันก็ตากแดดหาร่มก็ไม่ได้ทีนี่อยู่กลางบ้านมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าลงไปวัดเลยหยุ่ไปกี่แสนคนมันก็มีร่มไม้เ <c oughs> ยือกเย็นแต่ทั้งหลายก็ออนวอนจะให้พระขึ้นมาบนบ้านขอเท้าความสักหน่อยหนึ่งว่าการที่เราได้กระทาวันนี้มันทำรวบรัฐ เพื่อประหยัดเวลาหรือว่าประหยัดอะไรก็ตามใจเถิดแต่ดูเวลานี่มันก็ประหยัดตีแต่ประหยัดเพื่อประโยชน์หรือว่าประหยัดเพื่อความฟุ่มเฟยเนี่ยอยากจะพูด <c oughs> ตังเนี่ยวตามปกติวันสงการนี่สามวันจะมีคุณค่ามีความหมายมากในสมัยโบราณ น, นะ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 ถ้าเป็นสมัยโบราณสามวันนี้ถือว่าเป็นวันที่จะต้องทำพิธีกรรมให้เกิดประโยชน์ทีนี้ต่อจากสามวันนี้ไปก็เป็นการเข้าปีใหม่กันแท้สนุกสนานทำกลางความสงบงร่มเย็นของสังคมไปจนถึง น, น้นเดือนหกเพนเดือนหกวันวิสาขะสมัยก่อนไม่มีในภาอีสานนี่ลืมไปเลยวันวิสาขะ เดี๋ยวนี้แหละมีแต่ก่อนก็มีจะบุญบั้งไฟบุญวิสาขะไม่มีไปเปิดอ่านดูในหีดสิบสองจารีดสิบสองเดือนของชาวอีสานจะไม่พูดถึงวันวิสาขะแต่จะพูดถึงบุญบั้งไฟมันไปตรงนู้นมันสนุกสนานไปนู้นบั้งไฟในบุญวิบั้งไฟในเดือนวิสาขาเหินือป่ะว่าเป็นกาเป็นก่อนแต่วันวิสาขะ กับไม่มีไม่พูดถึงกันเลยเพราะเหตนั้นคนภาคอีสานเมื่อสงการตั่งแต่วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่เสร็จจากส 14, 14, ิบสี่ไนี่ก็ยาวยืดไปเลยที่นี่จนถึงแผ่นเดินหกยังเลิกกันเพราะแต่ก่อนนั้นสังคมไม่เครียดไม่ถูกบีบคั้นด้วยภาวะการคลองชีพอย่างทุกวันนี้ การดำรงอยู่ของชีวิตการดำเนินไปของสังคมโดยระบบชีวิตระเบียบสังคมถูกร้อยรัดจากกฎเกณฑ์ทางศาสนาพุทธศาสนาศาสนาพูทบางศาสนาพราหมณ์บ้างเอามาร้อยผสมกลมเกินกันไปจึงเกิดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสานบ้านเราก็ดีของ ประเทศไทยทั้งหมดนี่ก็ดีมันมาสามสายที่เรเรียกว่าวัฒนธรรมสายหนึ่งเก่าแก่ก็มาจากาศาสนาพราหมณ์สายที่สองก็มาจากพระพุทธาศาสนาโดยตรงสายที่สามก็มาปนเปกันไปทั้งพุทธทั้งพราหมณ์แล้วก็ท้องถิ่นประเพณีรวมกันข้าวกลายเป็นมิกซ์การชือมิกซิง เรียกว่าผาสมผาสานทางาจริยธรรมทางวัฒนธรรม mixed c i v i l i z e d a t i o n คือการผาสมผาสานกันทางวัฒนธรรมอย่างในวันสงการนี้อยากเข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรมที่แท้จริงของพุทธศาสนาแต่มันก็เป็น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 เล่นไปเล่นมาจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรปูยี่ปูยำวัฒนธรรมอันดีงามของพ่อของแม่เราหมดคนโบราณเตือนจิตสกิดใจลูกหลานเอาไห้ว่าเนี่ยเมื่อมดบุญคุณเถาสกุลวอ่องยานตกต่ำเดีนะ้นสมัยไม่ปั่มสมัยเขา่าแตกกระเด็นอยากไทน้อยาบบ่ฟังความเถาโบราณเฮาบราบาจึงเลยูกหยากหายทอนท่ อ, ทอบ่ดี เดนี้มันกําลังอยู่ในลักษณะเช่นนี้กําลังหาลืมกําลังทิ้งแล้วสิ่งที่มันดีมันงามี่เรามากกักแกทอดทิ้งส่วนสิ่งที่ <c oughs> ไม่ดีไม่งามแล้วเราก็มกกักแกเชิดชูบูชาถือกันมาอย่างทอดทิ้งไม่ได้อาลัยอาวรรเลื่อกเกินเพราะนั่นพระพุทธศาสนานะ จะซ่อนอยู่เตือนจิตสกิดใจอยู่ในเรื่องความเชื่อในเรื่องความสืบต่อเนี่ยลักษณะในกาลามสูตรการวางใจลงไปกับสิ่งที่ควรเชื่อถือและประพฤติปฏิบัติตามสิบประการนะอย่าเชื่อด้วยสักแต่ว่าเขาว่าอย่าเชื่อโดยเขาทำสืบสืบกันมาอย่าเชื่อโดยมันมีในตำรับตาลาอย่าเชื่อดยคาดคะเนอย่าเชื่อด้ยเดาเอา ไล่ไปทั้งสิบประการขออภัยไม่นำมาพูดในที่นี้มันมีข้อหนึ่งว่ามาปรมปรายะอย่าเชื่อโดยเขาทำาสือบเสือบกันมาไม not read by tradition แต่พูดเป็นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้อย่าวางใจว่าทำาสืบเสือบกันมาแล้วมันถูกต้องเพราะนั้นในจารีตประเพณีเนี่ย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 ถูกหากกระทบกับสังคมอยู่เป็นประจำบางเรื่องก็บอกว่าทิ้งไม่ได้อาจารย์สมภพมาชวนทิ้งเลิกไม่ได้เด็ดขาด เ, าเลิกไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันปล่อยกันไปแต่ว่างั้นธรรมา ก, ก็ทำด้วยไม่ได้เพราะมองไม่เห็นประโยชน์นอกจากไม่มีประโยชน์แล้วมันก็มีแต่โทษมันก็เลยคอนฟลิกกันอยู่อย่างปรับกันไม่ได้ บางทีนะพระทรงองคาวของเราเนี่ยมันฟืดมันเครื่องในหัวใจจะเข้าไปร่วมกับโยมก็ไม่ถูกทําไม่ถูกวิ น, นัยไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์กันคั้นจะไม่ร่วมก็ไม่ถูกแจชาวบ้านยังบุญอย่างกุศลทุกวันนี้แหละก็พาให้รังเกียจกันไปทั้งทั้งที่เรื่ไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้น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 ไอ้ขั้นจะไม่ไปก็ไปฟื้นกับการอยู่ร่วมกันนี่หลมันก็เลยพูดยากถ้าเป็นสมัยพุทธิยถาท่านก็ไม่ไปร่วมเลยพระสงฆ์องค์ใหญก็ไม่เข้าไปร่วมมือไม่เข้าไปสนับสนุนบุญกุศลที่ดีที่ดินที่สนุกสนานเนข็นฆ่าสัตว์ชีวิตตวัวใหญสัตว์พวกงูควายทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ เรบริจามาเข้าไปไกลสมัทงังปุริสมธทงังสมมาปาสังวาชไปยังนิรักครังมหายันยามหารัมพานะัตังโหติมหัพรายิา่งจะเชลากาจะคาโบจะวิวิทยาจะทหารยเรนะตังสมกัตตายันยั ง, งอุปยันติมหิสีนโนก็อบอกชัดแปว่ามหายัน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 ลาออกจากความเป็นมนุษย์มันจะเป็นอะไรก็ได้ยางนี้เรียกว่าปุริสเมท้งฆ่าคน <c oughs> ขอใัยอาจจรรุนแรงหลังเงสนสมมาปาสังยันจะรอดบ่วงบ่วงอะไรอยู่ในบ่วงพอจะคว้าจะถือจะผูกจะดึงจะลากมาฆ่าได้ก็ฆ่ากันกินทั้งนั้นหลังเงนบวันนี้รักคารังวาชะเปิดยัง วา่าจะไปยังดเดิมเพื่อพลังก็คือเอาเหล้านั่นแหละมาให้กันกินบุญประเภทนี้เขาทามาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดนะเขาถือว่าได้ยิ่งใหญ่มากเลยถ้าได้กินแล้วหน้าดําตาแดงแล้วกิดฟอนตากแดดได้นะะี่แหละเขาว่าบุญอย่างดีที่สุดของเขาไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนมันเป็นบุญของศาสน า, าพราหมณ์อาซาบะเลวีวาชะไปยังวา่าจะไปยังเดิมเพื่อพลัง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 ความอายชั่วกลัวบาปนี้แหละรักษาคลุมของโลกอยู่เป็นลิ่มสลักจิตใจของคนเราเมื่อคนเราทอนลิ่มความอายความกลัวออกไปแล้วลูกสีลูกห้าก็มาฟ้อนตากแดดบวชจะเด่งจักเดบาบวชจะคอนบวชจะจะกระโยงโค้งบังโอ้ยศบเซาเป่าลมเดินไปตีนตบตะกระแตนเดินขับถนนพูดคําใดนึกจะพูดก็พูดมาจนฟังด้วยไม่ได้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 หลังจากนั้นก่าสัตว์ทุกชนิดที่จะหามาได้มากินหลังจากนั้นก็ดืมเพื่อพลังให้มันมีกําลังจนลืมอายชั่วลืมกลัวบาปลังจากนั้นก็ถอดลิ่มสลักใจไม่มีอะไรควบคุมอยากจะฟอนก็ฟอนอยากจะร้องก็ร้องอยากจะโฮแซลอยังไงก็เอาไม่รู้จักต่ําจากสูงไม่รู้ว่าผัวใครเมียใครพ่อใครแม่ใครลูกใครฟอนเกี่ยวกันกลุมหลุมพ่อแม่กับลุม อย่างนี้แหละเรียกวณิรักขละยันชนิดนี้นะตังสมมคตายันยังอุปยัญติมาเหสีโนพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันประเรสริฐผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐผู้ดําเนินตามปฏิปทาอันประเสริฐย่อมไม่เข้าไปใกล้อุปยัญติมาเหสีโนไม่เข้าไปใกล้ไม่เข้าไปใกล้ พามาเหตสีจา่าผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐย่อมไม่เข้าไปไกลยันชนิดนี้หลังอย่างนั้นยังบอกว่าเยจะอ่ามหาัญญามหารัมพาณตังหโธติมหาพลาบุญอย่างนั้นบูชาอย่างนั้นยิ่งใหญ่อย่างนั้นปารลบวุ่นวายกันถึงขนาดนั้นก็ไม่มีผลอะไรเลยณนะตังหโธติมหาพลาไม่เป็นผลอันยิ่งใหญ่เป็นผลแต่เพียงสนุสนานอย่างนี้แหละมันก็เข้าไปไกล้ดยไม่ได้ แต่ไอ้คันจะไม่เข้าไปร่วมมือไม่เข้าไปร่วมวงไพ่บวงกอถูกด่าโว้ยคุณเป็นพระอรหันต์มาโดยใส่นอ้บบาทเหงาสัน้น <c oughs> ด่าก็ดาก่ดาไปไม่เป็นไรยอมคนที่จะไม่ด่าก็มีพอจะเข้าออกเข้าใจกันอ่าแต่มากระฮีจุด อ, อย่างนี้อย่างสงการของเรานี่แหละถ้าจะเอาจริงๆเอาของเก่าจริงๆกลับทิ้งเรารักษาให้ที่เป็นเอสเซน์เป็นแก่นสารไว้ไม่ได้ เมื่อเช้าเสียงประกาศกันเป่าเปล่ า, า, า, าเรียกหาเสียงประกาศนั้นมันเป็นเสียงลูกหลานเรียกหาคุณตาคุณยายเรียกหาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อยัยนั่นอยู่สน้อมาหา ล, ลูกหาหลานในเด้อโบจักคว่ำเพ็ดได้นิมนต์เนื้อคู่ขึ้นมาแลหละเสีเพ็รแนวได้พ่อยัยส่งนั่นอยู่สน้อมเศร้าสะก้อนสารสิ่งกะตายมาหา ล, ลูกหาหลานแน่ เสียงลูกหลานเรียกหาพ่อหาแม่ให้มาเป็นแบบเป็นอย่างเป็นหลักเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หลักเป็นผู้นำทั้งจิตใจทางวิญญาณ น, นำลูกนำหลานให้เขาถูกช่องถูกทางแสดงว่าพ่อแม่ได้ทอดทิ้งลูกหลานไม่สนใจมีแต่จะเมาเท่าหัวงอกหน้าเมาเล่าเล่นให้โลเล่น โบกไ้สนุกสนานไปจะเป็นแบบเป็นอย่างให้ลูกหลานไม่ได้ลูกหลานก็เลยกลายเป็นคนกํมพาเดี๋ยวนี้มันสังคมเรากำลังแตกสลายเพราะวัฒนธรรมชนิดนี้แหละครอบครัวกาลังล้มละลายพูดกันไม่รู้เรื่องระหว่างพ่อแม่กับลูกลูกถิงพ่อทิ้งแม่เข้ากรุงเทพไปทำงานต่างจังหวัด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 แทนที่จะได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากพ่อจากแม่การพูดการจา ก, การกระทําการวางตนในชีวิตครอบครัวในสังคมได้เห็นแบบอย่างที่ดีงามจากพ่อจากแม่เขาไม่ได้เห็นเขาได้จากโทรทัศน์เขาได้จากวิทยุเขาได้จากหนังเขาได้จากสื่อมวลชนเหล่านี้เป็นพ่อแม่ทางวัฒนธรรมเขาก็เห่าไปกับอันนี้แหละ พ่อพ่อแม่ไม่ได้สอนเขาก็เลยกลายเป็นกรรมพาที่น่าสงสารอีกแบบหนึ่งเนี่ยเมื่อเช้าได้ยินเสียงลูกหลานเรียกหาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เรียกหาพ่อหาแม่ให้มารวมกันที่ศาลาประชาคมให้พ่อแม่มาพาลูกหลานทําอย่างไรวันนี้เรานิ่ยมนพระขึ้นมานะเราจะทําอย่างไรพ่อใหญ่แม่ใหญ่อจะไในเสียงเรียกแทนที่จะได้ยินเสียงพ่อแม่เรียกหาลูกหาหลานให้มารวมกัน พ่อแม่จะพาทำบุญทำทานพ่อแม่จะได้ฟ้าฟังธรรมฟังเทศเปล่าเลยกลายเป็นลูกหลานเลือกหาพ่อหาแม่ <c oughs> น่าสงสารกัมพากันเกว่า b ก o กน n h า u s อ o ส Broken s โซเชียสังคมได้แตกสลายลงไปแล้วบ้านเรือนได้พังครอบครัวได้แตกสลายลงไปแล้วนังนก็น่าสงสารเลยนี้เป็นกัมพากันต่างคนต่างอยู่ อาจจะมาฟังเสียงเรียกเราบอโอ้นี่เนอคนโบราณจึงพูดว่าเบิดเมื่อบุญคุณเถ่าสกุลว่องสิตกตำ่ำสมัยใหม่ปั่มสมัยเขาแตกกระเด็นหยากหลายเด้ยากว่าฟังค่วมเถ่าโบราณเท้ า, า, ามันลำบากมันหนักทุกหยากหายท่อนทอบ่ดีเด็กที่พู้เถ่าก็ไม่เป็นผู้เถ่าทอดทิ้งลูกหลานตนเองก็จะเป็นคนหนุ่มอยู่เรื่อยไปตามวัฒนธรรมทางโลกตะวันตก ลูกหลานก็ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยสงการเขาก็เขาก็รู้จักแต่สนุกสนานเท่านั้นเพราะนั้นวันสงการในสมัยโบราณ น, นั้นพ่อแม่เป็นผู้นําลูกนํหลานเพราะสงการถือว่าเป็นวันปีใหม่นะปีใหม่โบราณเราได้เปลี่ยนปีใหม่กับฝรั่งมั่งค่าเป็นปีใหม่สากลวันที่หนึ่งมก ร, ราเมื่อพศอ484มาเนี่ย เอาตามวันเกิดของพระเยซูพระเยซูเกิดช่วงนี้ศาสนาคริสต์เริ่มศตรวรรษอย่างนี้วันที่ยี่สิบห้าธันวามหาวันที่หนึ่งในสี่ห้าวันเนี่ยสัปดาห์เนี่ยเป็นสัปดาห์ระหว่างเอาเป็นวันเกิดคริสต์มาสวันเกิดของพระเยซูอยู่ในช่วงนี้เขาก็เลยนับเป็นวันปีใหม่เป็นนิวเยียฮับปีนิวเยียของเขา mm hmm. พวกเรานั้น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 ราษฎรให้แก่กันและกันด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อกันในสังคมเพราะนั้นประเพณีนี้จึงมีการเข้าปเกี่ยวข้องกับการรดน้ำอีกด้วยเป็นอันว่าสิน้นฤดูหนาวก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนพ่อเมื่อดิทีตัง้งเติมฤดูเดือนใหม่ดอกเกตบ้านสะพังพร้อมน้ำหล่อมแก่ลำ สะพังผั ว, พ, วพ่วงผีสลัพี่กณิกากายเหื่อไผ่พ่งดาวลำตันดัวหอมเย็นดอกสามังดอกกาละเวกเกี่ยวหอมกลุ่มบาดคำเล้งคนโบราณก็พูดถึงดิถีเติมฤดูเดินใหม่เข้ามาเดือนใหม่วันใหม่หมปีใหม่วันเรกวันเรขเรียว่าวันตรุดสงการวันสิ้นปีเก่าเขื่อนเข้าปีใหม่วันสิ้นฤดูหนาวเก้าวเข่าฤดูร้อน วันที่สองเรียกว่าวันเนาวัวนเนานั้นมาจากภาษาบาลีวันนวะนวะแปลว่าใหม่สิ้นเก่าเข้าสู่ใหม่เป็นวันเก้าสุวันปีใหม่เดือนใหม่ส่วนวันที่สามเรียกว่าวันทะเลงศกวันเก้าเข้าสู่ปีใหม่อย่างเต็มตัวแล้วแต่ก่อนนั้นเพียงแต่เริ่มบัด น, นี้ก็เก่าเขาเต็มตัวเข้าสู่ปีใหม่ เพราะนั้นประเพณีนี้สามวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญมากในสมัยโบราณนะพอถึงวันสิ้นคือวันตรุทสงการบ้านช่องห้องหอจะถูกทำสะอาดให้เกลี้ยงเลยพระสงฆ์องค์เจ้า ก, ก็ทำสะอาดวัดวาอารามนอกจากนั้นก็กวาด อารามให้งามสะอาดสะอ้านทำสะอาดกุฏิวิหารเอาพระพุทธรูปลงมาขัดสีสุวีวันให้งดงามองเล็กเล็กองค์รามองค์ใหญ่องค์น้อยองค์กลางองค์ใหญ่เอามารวมกันเทนี้ก็ตั้งร้านพระพุทธรูปลงมาพอถึงตอนบ่ายๆก็ตีกองรวมราภาษาภาอิสานบัดดีกองโฮมยาโยมก็ผพากันลงมา วันนั้นลงมาเอาน้ําอบน้ําหอมลงมามาถึงก็มาไหวพระสมาานสินนานพุท ธ, ธาศาสนาเข้ามามีบทบาทไปแล้วแต่ในนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะเราให้ฟัง <c oughs> ก็เหมือนความฝันกําลังเล่าความฝันให้ฟังในลงมาแล้ววัดมันไม่สนุกสนานพระสงการที่ก็เอาแต่น้ําไปรดกรันเอาแป้งไปปะพรมให้กันเอาแป้งไปทาตามถนน เดินไปบินทบาลในถนนมีแต่แป้งแม้รวยกันเลยเกินไปซื้อแป้งฝุ่นมาทาถนนหลังจากนัก้นก็มีแต่ขวดเอามาทับกันตามถนนบินทบาลระวังดีๆมีแต่เนินเดินเหยียบเศษขวดเศษแก้วก็ เ, เอาน้ำหอมบางยี่หันมารดให้แก่กันกินเข้าไปแล้วเดินคับถนนเลยตีนตบตะกะแตนไปเลยที่นี่ เมื่อมาถึงวัดแล้วก็ไหวพระสมท า, านศีลเรียบร้อยพระทรงองค์เจ้าก็จะพาชาวบ้านสัมมาคาระว ะ, พ, ะววพระแก้วเจ้าพระรัตนไตรคือพระพุทธลูกนันแหละแล้วก็พากันสงเอาน้ำหอมที่สะอาดน้ําหมายถึงน้ำใจความหอมตลบอบอวนหมายถึงความเคารพ บ, บูชาสูงสุดรถ ราดลงไปในองค์พระประธานในองค์พระพุทธรูปนี่พระอิสานเป็นอย่างนี้ในวันนี้ส่งพระพุทธรูปแล้วแล้วก็มาฟังเทศหลังจากนั้นพระท่านก็เจริญพุทธมนต์ในวันนั้นเจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยในคืนนั้นก็กลับไปที่บ้านพรุ่งนี้เช้าเป็นวันเนา ว, วันปีใหม่ ตอนนี้ก็รดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่บิดามารดาครูบาอาจารย์คนเคารพนับถือแล้วก็รดน้ําให้แก่กันเลยกันเล่นกันอย่างสนุกสนานเอาน้ําสะอาดๆไม่ใช่เอาน้ําที่ขวายน้ําที่โคลนรดให้แก่กันในวันนี้ก็ยังมีการกลางคืนพระสงฆ์ตีกองรวมแล้วก็ลงมาไหว้พระรับสิน หลังจากนั้นก็เมื่อไหวพระรับสินเสร็จเรียบร้อยพระทังกัเจริญปริตมมงคลคืนที่สองต่อมาคืนที่สามนี่เป็นวันสุดท้ายเรียกว่าวันทะเลิงศกวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้ตอนเช้าก็ลงมาวัดกันเต็มมาทำบุญตักบาตรไหวพระรับสินฟังเทศฟังธรรม จบแล้วคนหนมคนสาวคนเท่าคนแก่ก็จะพาลูกพาล้านไปหาบ้ายเข้ามาในวัดแล้วก็จะมาทำวรุกเจดีเรียกว่าทำเจดีสาย ผ, า, ผ, า, ผ า, ายาะภาคภาคาอีสานว่ะมาตบระไทยเอาธรณีคือแผ่นดินมาเพิ่มในวัดเรียกว่าธรณีสงการทำบุญด้วยแผ่นดินคนโบราณเรียกว่าปุญญสโมโอธา น, นัง ประชุมลงแห่งบุญบุญอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าการให้แผ่นดินเป็นทานแผ่นดินเราไม่มีเราไม่มีเงินจะไปซื้อที่ดินเป็นตารางวาตารางเม็ดก็ไปซื้อดินที่เขาขายแต่ก่อนเขาไม่ต้องไปซื้อสายไปซื้อกวดเขาก็ไปหาบมาเองหาบมาใส่วัดมาถมตรงไหนมันต่ำเอามาให้มันสูงตรงไหนมันสูงทำให้มันราบเอาทรายมาใส่ เจี่ามันมีมากก็เอามากองกองไว้เป็นเจดีย์สำหรับวันต่อไปข้างหน้าอาจจะใช้ประโยชน์อย่างนี้เ็าเรียกว่าธรณีสงแผ่นดินสงแผ่นดินสงเอามาถวายให้เกิดประโยชน์พระอรหันต์ทั้งหลายส่วนมากเมื่อตัดสู้เป็นพระอรหันต์แล้วมักจะระลึกนึกถึงระลึกย้อนหลังบุเพนิวาสานุสติญาณย้อนเขไปว่าก่อนที่เรา จากมาถึงวันนี้ชีวิตของเราในวัฏสงสารที่เวียนว่ายตายเกิดไม่มีเบื้องตนไม่มีทรามกลางไม่มีที่สุดเกิดมาเป็นอันเนกชาติเป็นกฎโกรธกับนับไมยายนี้เราได้ฝังความแน่นอนโสพระธรรมที่ว่าสัธรรมัสนิยมกังเราได้ฝัง บาลมีอินทร์แก่ก้าให้แน่นอนลงไปในพระสธรรมนี้เมื่อไรหรเนอจึงทำให้เราไม่ต้องตกนรกอีกและวนเวียนวนเวียนมนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์นจนมาถึงวันตรัสรูเป็นพระอรหรันท่านก็จะย้อนนึงไปส่วนมากก็จะไปถึงวันแรกที่ตั้งมั่นประชุมลงแห่งบุญเรียกว่าปฐมสมุทานัุปอย่าง เป็นการประชุมลงแห่งบุญครั้งแรกยิ่งใหญ่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงอีกเลยไม่มีโอกาสที่จะตกนรกอีกเลยจากมนุษย์สู่สวรรค์จากสวรรค์สู่มนุษย์ส่วนมากมักจะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าปุญญสโมทานนังปัธมังการประชุมลงแห่งบุญครั้งแรกก็คือการได้เอาเอาเอ า, เอาดินนี่แหละข้ารามอย่างอย่าง ซื้อที่ดินสร้างวัดหรือมิฉะนั้นก็ซื้อเอาดินเอาทรายเ อ, าอะไรมาถมเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานจิตเพื่อจะตัดสู่เป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกเมื่อตอนที่เป็นสุมเมธดาปทได้เห็นพระพุทธเจ้าทีพังกอพร้อมด้วยบริวารเป็นสิบแสนจะเข้าไปสวดในกรุงธมวดีเห็นประชาชนชาวบ้านกําลังทําทางอยู่ ตนเองเหาะมาในอากาศก็สงสัยก็เลยลงไปถามว่าทำอะไรกันชาวบ้านก็บอกว่ากำลังทำทางต้อนรับพระพุทธเจ้าตนเองก็อยากได้บุญก็เลยขอส่วนแบ่งชาวบ้านก็เลยมอบให้หว่าเอ๊ดาบหนมคนนี้มีฤทธิ์มีเดชเหาะเฮิรนเดินอากาศได้ก็เลยให้ที่ที่ทําทางที่มันลำบากที่สุดที่เป็นลมเป็นเลนท่านก็อธิษฐานใจว่า ไม่มีอะไรจะทานก็ขอทานเรียวแรงเนี่ยแล้วก็ขอทานพวกดินนี้แหละเอามาทมที่มันเป็นหลุมไปเลยเอาห้านิสสีชนะที่ตนเองปูนั่งฮนะขุดดินใส่แล้วก็เอาผ้านั่นแหละห่อมาเทห่อมาเทเหมือนพวกเราไอ้ภาภาษาอีสานวัตโพปะท้ายเนี่ยเอาทรายเข้าวัดทำบาลุกะเจดีเนี่ยเทบา้ทบาเทไปมันก็ไม่เสร็จเหลืออยู่ประมาณสักเม็ดหนึ่งเนี่ย พระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีตนเองก็เห็นว่าไม่ทันเน่ก็เลยนอนลงเอาตอนเองเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าไต่ไม่ให้ถูกลมจมเลยพระอาหารหันต์เมื่อายก็ไต่หลังไปแล้วก็อธิษฐานแจว่าด้วยเดชแห่งการให้ฐาน ม, มาภีให้ธรณีเป็นฐานอันเนีย้ยขอให้ข้าพเจ้าเดตรสรู้นุตระสมมาสัมปธิยานเหมือนพระพุทธเจ้าองค์นี้เถิดพระพุทธเจ้าที่ปังกองก็บอกว่าพิสุทงังไล บุหลดนมที่นอนให้พวกเราไตรเนี่ยนี่แหละคือหนอพุทธางกุลผู้ที่กําลังอธิษฐานตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าหลังจากนั้นท่านก็นยกมือสาธุการพริสุททั้งหลายก็สาธุการด้วยบอกว่าบุรุษนี้ต่อไปจะได้ตัดสรุนุตระสมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าสมณะโขดมนั่นก็คือให้ให้ให้ใหดินนี่แหละเอามาเป็นฐานเอามาทมถางเนี่ยกับพโยแรง ส่วนพุทธสาพก็มีห ล, า ย, ลายองนะอย่างนางสุเมธาเทรีอย่างพระอุบาลีล้วนแต่พวกที่ได้สร้างซื้อที่ดินสร้างวัดเป็นทานบางคนมีเงินนะ่ะแต่คนไม่มีเงินก็ไปเอาดินมาพวกเอาทรายมานี่แหละอย่างพระอุบาลีเมื่อตัดสูุแล้วท่านก็พูดอยู่คาเดียวนั่งอยู่ไหนก็พูดยะธ า, าพลากโยนหินวิสติปุมาสธา มเมฆะตุคิสมาเนสุขับพังกันหันติตาสถาท่านบอกว่าเปรียบเหมือนานางนกกระยางยอมนกกยางตัวผู้ย่อมไม่มีในกำเนิดนาง น, นกอย่างทุกมเมื่อเมื่อใดเมฆร้องกระหึ่มนกยางก็ย่อมตั้งขันทุกเมื่อฮานว่าอย่างนี้จิลังปิคับพังทาเลนติยาวะเมโคนภัจนะคชติ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 เมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องครั้งแรกก็ตั้งท้องเหมือนท่านได้ซื้อที่ดินสร้างสังขารามสมัยพุทธเจ้าปฐมมุตระนูน่นนั่นแหละท่านบอกว่าท่านตั้งท้องแห่งบุญแล้วพอมาถึงสมัยพุทธเจ้าได้ฟังเทศที่นิโคทารามก็ได้บวชตัดสรู้เป็นพระ อ, อรหันต์อย่างฉัพพันธท่านบาวชวันนี้เหมือนนกกระยางที่ ครั้งแรกก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ตั้งท้องตลอดการอันยาวนานยิรังปิคับพังทาเองติตั้งคันไว้ตลอดการอันยาวนานจนมาได้ยินฟ้าร้องฝนตกอีกครั้งสุดท้ายจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อดโน้นจนมาถึงองค์นี้ดนฝั่งเทศแล้วตนเองก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระ อ, อรหันต์มือนนกกระยางได้ยินเสียงฟ้าร้องสายฝนหลัอ ง, ลงอีกครั้งสุดท้ายโนกอย่างไม่มีตัวผู้แต่มันไข่มัน ต, ตั้งท้องตั้งพันเพราะเสียงฟารองแล้วมันออกไข่เมื่อสายฝนหลังท่านก็เบียยงของท่านอย่างนี้ท่านประว่าครั้งแรกเราได้ฟังธรรมเราได้ประชุมลงแห่งบุญโดยการซื้อที่ดินสร้างสังขารามถวายพระพุทธเจ้าประทุ ม, มุตระสมัยเมื่อเรายังเป็นสุนันทดาบทนู่นนั่นก็เลยตั้งท้องประชุมลงแห่งบุญเหมือนเหมือนเหมือนนกตั้งท้อง พอมาถึงสมัยพู้ตระแจวของเราตั้งแต่วันโน้นมาไม่เคยตนนกนรกบนเวียนอยู่แต่สวรรค์มนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์เป็นเศรษฐีบั่งเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าแผ่นดินบ้างสุดท้ายก็ถึงที่สุดแห่งพบแห่งชาตินั่นเลยเป็นการประชุมลงแห่งบุญคนโบราณบ้านเราสมัยก่อนท่านฉลาด ต้องการจะพาลูกพาหลานให้รู้จักประชุมบุญให้รู้จักสมทานนปุญอย่างปฐมังประชุมลงอย่างแน่นอนไม่หวั่นไหวไม่ต้องไปตนกนรกโดยรู้จักหาวิธีให้ลูกหลานได้ทําบุญด้วยสิ่งที่มีคุณค่าเรียกว่าธรณีทละแปลว่าทรงไว้อิยะผู้ทรงไว้ธรณีแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง อะไรทุกอย่างในโลกนี้มันตั้งอยู่บนแผ่นดินคือตั้งอยู่ในธรณีนี้ท่านจึงให้รู้จักเอาแผ่นดินเอาธรณีนี้มาทําบุญถ้ามีเงินมีทองจะซื้อที่ดินถวายสร้างวัดสร้างวาเม็ดหนึ่งตารางวาหนึง่งมันก็เป็นการดีแต่ถ้ามันไม่มีอย่างนั้นก็ไปซื้อทรายซื้อหินนี่แหละมาทําถ้ามีที่ไหนไม่แห้งซื้อพอจะไปหาไปหามมาได้ก็ไปหาบมาซะสักหาบสองหาบคนโบราณจึงถึงวันสุดท้ายแห่ง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 ก็ขอลดขอสงพระสงองค์เจ้าเป็นอันว่าวันที่สามนี่เป็นวันจบจบแล้วจากวันที่สามนี่ไปจนถึงนูน่นวันเพ็ญเดือนหกในสมัยโบราณนะไม่มีบุญวิสาขะหลงทางไปชั่วระยะหนึ่งมีแต่ บ, บุญบั้งไฟถือว่าบนฟ้าบนสวรรค์ น, นั้นมีเทวดาชื่อว่าวัศกาลเทโววลาหะเทโว เทวดาผู้รักษาเมฆเทวดาผู้รักษาน้ำฝนก็ทำบั่งไฟไปจูดบูชาเทวดาให้ถูก อ, อกถูกใจฝนจะได้ตกลงมาความจริงบั่งไฟมันไปสันส่นสะเทือนมันไปคลายความร้อนบนอากาศทำให้เมฆนั่จับตัวละลายลงมาเป็นฝนเหมือนจรวดที่เขากำลังสร้างมายิงฝนนั่นแหละก็นับว่าเป็นความฉลาดแต่ก็ลืมในเรื่องวิสาะตั้งแต่วันที่สิบสามไปเนี่ยสิบสี่ไปเนี่ย ถึงวันถลเอิงศกและจากนั้นทุกทุกวันตอนเย็นตีกองลงวัดสามมณีเ น, นอยๆก็จะพาญาติโยมผู้หญิงผู้ชายไปเที่ยวหาเก็บดอกไม้ป่าเรียกว่าแหดอกไม้เก็บดอกไม้ป่าอันเกิดเองตามธรรมชาติดอกคูนเหลืองๆดอกโมกอยู่ในป่าในภาคอีสานนะดอกโมกดอกคูนดอกเมื่อดไปหาเก็บ ดอกกาเหลาเงามๆแล้วก็ดอกตาแบกนนําในหน้านี้มันบานบานในหน้าสงการก็พากันไปเก็บสามมินีนพาคนหนุ่มคนสาวไปเก็บไม่เกี่ยวกับพรนะนั่นแต่พระก็เอาด้วยสะุกสนานเออตอนนี้น่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆไล่หดไล่สงจับมือถือแขนถือโอกาสเอากำไรสำหรับพระสองฆ์องค์เจ้าเอากาไรกำไรนรก ตกนรกง่ายๆกลอยอาบัตสังคาดิเศษจับตองกันไม่ถือสมัยก่อนโอ้เห็นแล้วกัน่ะสมเพชเวทนาแต่ความจริงในเนี่ยตามฮีตามคองก็มีแต่สามเณรไม่เกี่ยวกับภาพพายาิโยมคนนมคนสาวไปหาเก็บดอกไม้ป่าดอกคูนดอกกากะเลาดอกตะแบกดอกเปื่อยอหลังก่งนั่งกับดอกโมกมันเกิดน้า น, นีก็เอาเข้ามาเพื่อจะมาบูชาพระ ชาวบ้านในหมู่บ้านก็เอาน้ำตั้งไว้เป็นใส่น้ำหอมตั้งไว้รอคอยท่านล้างดอกไม้ดอกไม้มาก็สามเณีและพวกชาวบ้านนมสาวไปเก็บมาก็เอามาล้างตามผ่านหน้าบ้านผู้ใดก็เอาถังน้ำเอาคู่ถังใส่น้ำอบน้ำหอมรอไว้ล้างดอกไม้ก็ไปล้างตังนั้นได้บุตรด้วยกันทำกันอยู่อย่างนี้นู่นจนถึงวันสงการไอ้จนถึงวันวิสาขะ พอถึงวันนั้นหยุดกันกอนที่จะหยุด ก, น, กนตีกองลงวัดนะที่นี่ไปมดลูกเด็กเล็กแดงคนหนุ่มคนสาวผู้ท่าผู้แก่ไปไหนไปสัมมาคารวะพระเจ้าพระสงฆ์ไปสงน้ำขังสุดท้ายให้พรสีโกธาต ปฐมมกโกทธาทวนหนึ่งนั้นขอส ม, มาบูชาเจ้ากูตนทะลงเทลาสิคุณอันวิเศษในควงเขตอารามแถมสมผ่านทุกสิ่งได้เป็นมิ่งมงคลให้มีบุญแลงยดกว่างอยู่สืบสางสมนนาธรรมเจ้าตาพระเถาหอยสาวประวัติกว่าขาเทิน ตัวนิยาพาพ้อนอันรวนสองส้มพะ น, น้องนางมากบุญหลนหลากละลายพันภายไปแพ้ก่วงเป็นที่อ่างแกโลกโลกาใหฮฤาษะไปตกแหง้งตกแต่งผอมธนานมีทาสาต่างเมืองมาไว้ดอกไม้แกวและเงินคาขอพายจะพูดเลยนะมันมาก <c oughs> เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังจนจบสีกฎฐานขอสมมาสมมาคารวะได้ผิด ต่อเจ้ากู้ทะลงทิลาศิลาที่คนอันวิเศษไอ้เจ้ากู้เจ้ากู้เนี่ยเป็นคําเรียกสรานามแทนตัวพระสงฆ์ผักอีสานผากตางผากไตาผากเนื้อผูดเหมือนกันเจ้ากู้ไอ้เ จ, าจ้าอยู่หัวกู้ตะพูเร็วๆก็เลยเรลือแต่เจ้ากับกู้อย่างนี้เรียวกย ว, กยวกานน่าสงการแบบโบราณคนโบราณไม่เป็นหนี่เกษตรไม่เป็นหนี้สหกรณ์ชีวิตไม่ถูกบีบคัน้นไม่ขมึงเกลียว อย่างทุกวันนี้มันก็เลยอยู่ภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศิลปแห่งธรรมแต่เดี๋ยวนี้ฮะเป็นเช่นนั้นไหมเดี๋ยวนี้สังคมแตกสลายครอบครัวล้มละลายลูกไปทางพ่อแม่ไปทางพ่อแม่เป็นกำพร้าลูกอยู่ที่บ้านลูกนี้จางหมดลูกเป็นกำพา้าพ่อแม่ทางจิตใจวัฒนธรรมอันดีอันงามพ่อแม่ไม่รู้จะสอนลูก ปล่อยให้โทรทัศน์มันสอนให้นังมันสอนเวลาสงการทีอย่างวันนี้แหละเช้าเมื่อได้ยินเสียงลูกหลานเรียกหาพ่อใหญ่หาคุณตาคุณยายให้มาเป็นหลักเป็นฐานเป็นผู้นาทางจิตใจทางวิญญาณไม่รู้ทันไปไหนโมแต่สารสิ่งกระตายพ่อใหญ่เ้สาสะกรอนว่าอย่างนี้ไ ป, ปืใหญ่เลยเฮ้ยไม่รู้จะเอาอย่างไร เดนี่พ่อแม่เป็นกำพาลูกลูกถอดทิ้งถูกดูดก็ส่งโรงงานอุตสาหกรรมทำไรทำนาเสร็จก็เดินทางเข้ากรุงเทพเดียวนี้ไม่อยากทำไรทำนานแล้วพอใจที่จะไปหางเงินกรุงเทพมาจ้างพ่อแม่แก่ๆเท่าๆ ง, ง้อเงินงเงินอยู่ที บ้านนอกกำลังจะพูดกันไม่รู้เรื่องลูกเต่าพูดภาษาสังคมอุตสาหกรรม <c oughs> สังคมในเมืองแต่พ่อแม่พูดสังคมชนบทของสังคมบ้านนอกไปคนละทิศละทางในขณะเดียวกันลูกเต่าก็ออ่างวางวาเวเป็นกำมพาอีกแต่ว่าเป็นกัมพาทางจิตใจเป็นกัมพาทางวัฒนธรรมคนในเมืองเรนนี้ก็เหมือนกัน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 พอพูดถึงญาติทันแยกนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยญาติก็เป็นอย่างหนึ่งพี่น้องก็เป็นอย่างหนึ่งสายเลือดเป็นอย่างหนึ่งญาติญาติงวาสาโลหิตตาวาไว้ญาติก็ดีสายโลหิตก็ดีญาติอาจจะไม่ใช่สายโลหิตก็ได้สายโลหิตอาจจะไม่ใช่ญาติก็ได้ลูกอาจจะไม่ใช่ญาติก็ได้เพียนเพียงสายโลหิตก็ได้หมายความว่า สายโลหิตนั้นสืบกันมาโดยสายเลือดโดยเผ่าพันธุ์โดยฮเทธิ์ตี้อย่างว่าเนี่ยแต่ญาตินั้นสืบมาทางจิตใจพูดกันรู้เรื่องวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยมันพูดกันรูเรื่องเด น, นี้ลูกเต้าก็เป็นกรรมพาทําอะไรตามจารีที่คลองประเพณีไม่ถูกเพราะว่าพ่อแม่ไม่พาทำไม่พาบอกไม่พอพาสอนเขาก็รู้จักแต่สงการทางโทรทัศน์ เขารู้จักแต่วันปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ทางโทรทัศน์เขารู้จักแต่วันตรุ่จีนเขารู้จักแต่คริสต์มาสเขารู้จักวันวาเลนไทน์โทรทัศน์วิทยุสื่อมวลชนแมสปิเดียมต่างๆเหล่านี้กลายเป็นพ่อเป็นแม่เขาทางจิตใจทางวัฒนธรรมทุาทวันนี้พ่อแม่เป็นกำพาลูกทางร่างกายอ้างวาง ว, าว้าเวลูกทอดทิ้งไว้เดียวดายลูกก็เป็น กัมพาพ่อกัมพาแม่ทางจิตใจทางวัฒนธรรมก็เลยซื้อพอยตาวาหอยปูแบบโบราณกันไม่ติดมันก็เลยมีเก่ามีใหม่มีในมีนอกมีรุ่นเก่ามีรุ่ น, นใหม่เชื่อมโยงกันไม่ติดก็เรียกว่าเป็นกัพพากันทางจิตใจนางน่าเข้าแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเองก็เป็นกัมพาทุกวันเนี้กัมพามีแต่ล้วงพ่อล้วงตามีแต่ พระใหม่ๆงกงกเงื่อนๆอยู่ตามวัดวาอารามตามชนบทบวชวันนี้เป็นจาอาวาดวันนี้บวชไม่ถึงปีเป็นจ่าอาวาัดแล้วเพราะว่าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เก่าผู้แก่ที่จะสืบทอดพระทำวินัยอันถูกต้องดีงามก็เห็นว่าใดใส่ผ้าเหลืองสล้วโฮมจีวร น, นอนในวัดก่อนหลงลืมตัวว่าเป็นเทวดาชาวบ้านพูดจะอะไรก็ไม่ได้ไนทีเนี้ เกิดทะเลาะเบาะแวงกันขึ้นเอาไปเอามาก็เลยเกิดระบบจะเอาวาดอยู่บ้านสมพานอยู่วัดจะเอาวาดอยู่บ้านก็ไม่ขวาวตาทิ ต, ตาจารคนที่เคยบวชนั่นแหละต่อมาแนะนําพร่ำสอนพระในวัดว่าต้องทาอย่างนั้นอย่างนั้นนะที่นี่จะอาวัดก็เลยอยู่บ้านสมพานก็อยู่ในวัดเกิดอาการคอนฟ lict ขัดแย้งกันเจ้าอวดดีจเจ้าไปยังจังบมาบวชมาบอกพระบอกจ่าไปเอามาวัดร้างแล้วร้างอีก มันก็เลยอ้างวางพระนมเน้นน้อยบวชมาใหม่ๆล้วงพ่อล้วงตาก็เป็นกรรมภาอุปชาอุปชาก็เป็นเพียงผู้ให้บวชเท่านั้นเนี่ยใครจะบวชก็มาเถอะจะให้บวชตาบอดหูหนวกอะไรก็ตามมีอะไรนี่ก็ตามหรือว่าคนล้มละลายในสังคมพ่ายแพ้ในสังคมมาเถอะฉันจะบวชให้ขอให้มีเจ้าภาพเอาเงินใส่สองมาบวชทิ้งบวชขว้างก็เลยกลายเป็นกรรมภาพระทรงออกเจ้า ก็กลายเป็นกรรมพาในวัดในวาก็เลยไม่รู้จักจะสืบต่อประเพณีวัฒนธรรมในทางพุทธศาสนาอย่างถูกต้องดีงามนี่แหละมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสังคมเราเกือบจะแตกสลายล่มละลายลงไปแล้วบวมมาวันสองวันเดือนสองเดือนกลายเป็นเจ้าอาวาสยังไม่รู้จักนะยังไม่รู้จักโมยังไม่รู้จักอะไรเลยเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลนู้นก็อบอุน่นพ่อแม่ก็มีลูกล้อมหน้ า, ล, านล้อมหลัง ลูกเตาก็มีพ่อแม่เป็นเบ้าหล่อล้อมทางจิตใจเป็นแบบพิมพ์ทางร่างกายยังเป็นเบ้าห ล, ล่อล้อมทางจิตใจทางวัฒนธรรมถ้าทรงองค์เจ้าบวชมาก็ไม่อ้างวางว่าเวอบอุ่นด้วยบุญคุณครูบาอาจารย์นูน่นบวชมาสองปีสามปีสวดมนต์น้อยมนต์กลางได้เรียบร้อยเขาก็ฮดสงให้เขาเรียกว่าเป็นสําเร็จ ไม่ใช่สมเด็จนะเป็นสำเร็จเป็นเจ้าหัวสมเด็จเป็นเน้นสำเร็จเจ้าหัวสำเร็จหมายก็ว่าเป็นผู้ได้มนน้อยมอนกลางมนน้อยมอนกลางก็คือพวกเจ็ดตำนานมนกลางก็สิบสองตำนานมนหลวงได้จบต่อมาก่อสูงขึ้นมาหาพันสาขึ้นไปก่อถึง 10, สิบพันษารู้จักระบบระเพียบพระธรรมวิ น, นัยสถทธาปฏิโมกโรคอีกทีก็เป็น เจ้าหัวชาหมายว่าเจ้าหัวปีชาสามารถรู้จักต่อมาก็มีเจ้าหัวครูเป็นครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนท่านต่อมาโลกเก่าอีกก็เป็นเจ้าหัวราชคู่มีความรู้สามารถแม้แต่สั่งสอนลูกเจ้าฟ้ามหันกริย์อย่างนี้ก็ยังมีเจ้าหัวครูฝ่ายเจ้าหัวครูด่านเจ้าหัวหลักคําเจ้าหัวลูกแกวเจ้าหัวยอดแก่วถึงสังฆราชทำให้ก็อบอุ่นกันอย่างนี้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 เรีกว่ายังไม่เป็นนิสัยมุตตะเรื่องนี้มีแต่โรคกำกพากะเลกะลาดพระสงฆองค์จ้าบัวได้พันสาขึงพันซาออกเดินทุดงแล้่สายลูกประคำเต็มคอทําแข็งๆคืมๆสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่สอนก็อุตริทําไปชาวบ้านก็หลงไหลหลังไหลเคารบกบวาดไหวบูชาองกนก็บอกเลกบอกหวยกันไปให้เครื่องรางก้องขังนัง่งทางในใสยะสาเศษเปล่า รถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักอมอมเสกกระบ า, กะางก็วบวกกันไปแทนที่จะสอนศาสนาพูดกลายเป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาพรีออกนอกรูนออกทางอย่างนี้เรียกว่าลูกกัมพาเนี่ยมันลําบากใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าลูกนอกคอกพูดถึงเรื่นี้จะมาเน้นนึกถึงคนโบราณเล่าเรื่องลูกนางสิบสองสองผัวเมีย ม, มีลูกมากเลี้ยงไม่หวาดไม่ไวไปรับจ้างบ้างไปขอกินบ้าง พอได้มาก่อออกมาเลี้ยงลูกมันก็ไม่พอกินหัวเมื่อเมืองป่วยห่อนเคลนขาดโพสนั่งสองสแสวงปาะลูกนั่นในยาว้าก็ไปจรจ่างทั้งแคว้นคอเหนียววั่นโศกได้ขนาดหน่อยเมียนมันได้มาก็เอามาต้มปนกันไปกับมันกับกอยมันอดมันอยากว่าอย่างนั้นลูกแอลหาค้าคอยทำขั่วหุ่นออยอิด e เอลกินกวนหาพ่อ เมื่อไฟค้างเขาดูประมาณมั่นเปื้อยพอก่อยายกาบกว่างกองไหคูคนกระพออิ่มได้ทั้งกีดกวนบอนทั้งเมืองมิตรเพือนนอนอยังเพื่นเพลศล่ําถ้าเพี้ยนกิ่งก้อมขั้นลูกรับพร้อมพร้อมผลาญเหล่ ล, ลบหาพลอยไฟบอดไก่เยียว่ฮงห้ามกินขาก็ะพากันเสร็จบวงจองจานหนำขั้นบะเสียงนั่นกล่องลุ่งล่งแล้วตื่นพอก็ยิ้นเสบทองใจหายกาวเมีย คำกาบเป็นกาบเป็นก่อนถ้าบางกคมเขียนหามาได้เท่าไหรก็เอามาต้มใส่ก้อยใส่มันแบ่งลูกกินทั้งสิบสองคนมันก็ไม่พอกินพ่อแม่ก็โอ้อดอย่างๆน้าเข้าก็เอาไว้กินตนเองบางให้ลูกกินหาไม่อิ่มไ ม, ไ ม, ไม่เป็นไรแต่พ่อแม่ก็ทำท่าเป็นนอนดึกๆก่อนลุกขึ้นไม่ต้องจุดใตจุดไฟคําหากินไป ถูกช้อนถูกจองถูกบ่วงถูกอะไรมันดังขึ้นลูกทั้งสองทั้งสิบสองก็ตื่นแซวขึ้นมาข่อ ย, ย, ออ ย, ยกินเนยพ่อข่อยกินเนยแม่เขาไม่กไม่พอกินพอก็ยินเสบปรทองใจหายกาวเมียในที่สุดหัวก็ชวนเมียเอาลูกไปทิ้งอันว่าท่ารักาหน่อยซาใจจอมเกตเท่านี้ก็หักง้างพอกผลล่อดเลี้ยงเป่าขวงแม่เอ้ย พวนที่เฮาเหี้วพร้อมออยเอาไปปล่อยเสียเทินสิ้นสิ่งเข่าของหล่นก็ขาดเขินสิ้นแล้วเลื้อทิมเมียหมอบเหนือ้ายออยเอาทื่นก็ได้แล้วม่อนบ่นยอมยังขอเอวเอาไปถิมแล้วเราอ้อยเอาอุ่มทั้งจูงบางเจียไปปลาใหม่ไกลผลปาดเหตดคนผัวก็ชวนเมียเอาลูกไปทิ้งทิ้งซะเป็นลายลูกของเรา เมียก็อ่อนบอกร้องห่มร้องไห้เอาโตข่อยไปขายสาขายหลับจ่างแค่นี้ก็ได้พ่อหาหลูกเขายังนี่ผมเมียนี่นะวันดวงใจของแม่ไม่อยากจะทิ้งลูกหลอ ก, กทุกยากแค่นี้ก็ยอมบอกให้ผัวว่าให้เอาชันนี่ไปขายขายอ้อยเอาขึ้นก็ได้แล้วมันบอยอมยังขอเอวเอาไปทิ้งเมียขอร้องเท่าไหร่ฟัวก็ชวนเอาไปทิ้งอย่างเดียวนายที่สุดก็เลย จักชวนลูกเราออยเอาอุ้มทั้งจูงบังเจียไปป่าใหม่ไกลผลป่าเทกค้นอิดออยหลาแล้วประกอบกันลับมันก็เขียวขึ้นละลูกนอนในดาวพอเมื่อราตี่อนเขาแซลสะดงตืน่นเอินพอให้หิวห่องแหบได้พอชวนลูกไปป่าก็ไปนอนในป่าดึกๆพอลูกนอนหลับแล้ว่อก่อนลังนี้ ลูกตือนขึ้นมาเด็ดกๆก็ร้องไห้หาพ่อหาแม่ไม่เห็นจวนเจิดสว่างพ่อเมื่อลาตีขอนเขาแซลสะดุกเตือนเอินพอหายหิวห่องแหาาบได้วีบากนั่นคือครูเล่งโย่เลยเด็กกามีอันกินจอยพร้อมพางหายยังมีเท่โบ้ใหม่ให้ยำเดียมพอเห็นกำผาเป็นหนาอีดูก็จึงมาปั่นป่องไปหอมให้หลวง ถ้าลากาเห็นเดือแดงแดดินเลยแล้วเลี่ยมกินผัวพ่วงพันภา่หากแล้วเราเป็นบอกหายต้นเต็มต่อมาเทวดาพญาไม้เรียกว่าลุกขะเทวาเทวโวใหม่เทวดาต้นไม้สงสารเด็กๆเรานั้งเกาะมาป้องมาจูงทำท่าให้ไปถึงต้นไซใหญ่มีลูกเดือสุกลูกไซเด็กเ้านั้นก็กิน พอกินนานนานเข้าเขาก็อาศัยอยู่ตามต้นไม้พอแม่อยู่นานเข้าอ้าวเกิดมีเงินมีทองถึงฟ้าใหม่ฟ้าใหม่ฝนใหม่ขึ้นมาเขาไม่ปามั่นสิตอนนา้าตาตอนไงมาหอดแล้วขึ้นหอดโลกพอเ ม, มื่อเมื่อนานเขาเป็นม่ามุ่นมังถึงมาฝ่าทายเต่าและดูหอนทำหา หัวเขานำตาหลูบเรื่องเสร็จผ้าเมียเฮินเอวไปปุ่นเอิบแยามนั้นทารกาเต้นปลายเปืยเป็นบอกร้อนว่าเป็นลูกเจาาาก้าแหนไห่หอได้กำเนิดนี่ในโลกปางปฐมเป็นนิ่งนีต่อมาเฮ้าหูรู้ตนนี้ทั้งล้านเลนดอมลูกรู้ต้นเดทั้งล้านเลนดอมลูกทั้งพอ่อแม่ผอโห้อยไห้ใส่กันตอนนี้สงสารทั้งพอ่อทั้งแม่ พ่อแม่ก็คิดถึงลูกได้อยู่ดีกินดีอ้าวคิดถึงลูกก็ชวนกันไปเรียกหาลูกส่วนลูกนั้นก็กลายเป็นหลิงซะแล้วทารกาตเต้นปลายเปลืยเป็นบอกร่อนมาเป็นลูกเจ้าเห็นหนะ้าหอได้พ่อแม่ก็ได้แต่งแงนะ้น่าเรียกหาลูกลูกก็เต้นอยู่บนยอดไม้พ่อเอ้ยแม่เอ้ยไปน้าเจา้าบ่อยแล้ว สิตอนนะ้าปลาตอนใหญ่เขาไม่ปลามันปนได้คือทอดเดอยากไปน้ําเจ้าเดกับไปบ่ได้แล้วขนแข่งพ่อหอยปลาขนค้าพ่อหอยเขียดขนอยู่ก่นพ่อเสียดใส่ใส่แม่เอ้ยอันนี้เป็นความหมายว่าลูกเรากับพ่อกับแม่จะพูกกันไม่รู้เรื่องตอนแรกก็เป็นลูกของพ่อของแม่พอเลี้ยงลูกไม่อุดมสมบูรณ์ก็เอาลูกไปทิ้ง นานๆข้าวลูกก็เป็นลิงเป็นข้างลูกเป็นกำผ้าทางวัฒนธรรมทางจิตใจเมื่อพ่อแม่อยู่ดีกินดีแล้วลึกถึงลูกอยากให้ลูกกลับมารวมหออยู่เรือนก็ไปพูดแงเนรหน้าพูกกับลูกพูกกันไม่รู้เรื่องท่าลักกาเต้นปลายเปื่อยเป็นบอกซะแล้วที่เนี้ย พ่อแม่ก็ได้แต่เห็นหน้าเลยว่าร่อนว่าเป็นลูกเจา้าเห็นหน้าหอดายกาเนิดหนีในโลกปังปฐมเป็นน่ยายต่อมาเฮาฮู้ลูกตนเดทั้งล้านเลนดอมลูกพ่อแม่พร้อมโวยไห้ใส่กันก็ได้แต่ร้อ ง, องห่มร้องไห้อยากจะให้ลูกเป็นคนดีเวลานี้ดีไม่ได้แล้วพอเห็นนั้นคนโบราณเลีย้ยงลูกนั้นเอาใจใส่ไม่ให้ลูกเป็นกัมพาพอแต่เริ่มเมียตั้งคัน ผัวผู้เป็นพ่อซึ่งยังไม่เคยเห็นหน้าลูกก็รีบเอาอกเอาใจผู้เป็นแม่ผ่านไปหาลูกในท้องคอยผูกคอยจ่าไม่กระโชกโขกหากไม่พูดจ่าให้กระทบกระทั่งจิตใจเธอเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเศร้ามองเอาอกเอาใจเมียอยากอะไรเมียอยากให้ทำอะไรก็หากันกระทำอย่างดีงามเพื่อแวดล้อมหรอล้อมวิญญาณได้น้อยอยู่ในท้อง แล้วก็ยังไม่พอพอเมียตั้งท้องใหญ่ๆก็พาไปวัดไปฝากพระไปกราบสมภารหลวงปู่หลวงตาฮะยังพันเตกุฉิคาโตกุมารโลวากุมารีวาสโสภควรรณตังสรนังขจติธรรมมันจะพิคุสังคันจะอุบาสกังนางทาเลตุนูตไปฝากตั้งแต่ท้องใหญ่ๆก็พากันไปฝากแต่งขั้นห้าไปกราบพระ บอกว่ายังพันเตกุชิกาโตทาลโกวาทาละกัมอืมกุมาโลวากุมารีวาลูกในท้องของข้าพเจ้าโคดออกมาแล้วเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามโสภค ว, วันตังสลาหนังขจติทำ ม, มันจะพิกุสังขจจะอุปาสกังนังทะเลตุขอให้เข้าถึงพระพุทธเจา้าพระรับถวิปส่งด้วยเป็นสรณะเป็นอุบาสกแต่นี้ต่อไปตลอดชีวิตนั้น เขาไม่ให้ลูกเขาเป็นตําพาทางจิตใจตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าก็พาไปฝากพระฝากเจ้าไว้แล้วหลังจากนั้นกลับมาบ้านพระสงฆ์อง์เจ้าท่านก็สอนลูกเอ้ยจะทะเลาะเบาแหวกกันนะลูกในท้องกำลังจะออกมานั่นเป็นลูกพระนะลูกพระรัตนใจลูกพระพุทธเจา้าลูกพระธรรมลูกพระสงฆ์เธออย่าดา่าอย่าชอยอย่าใช้ถ้อยคำกระด่างยาบคาย ต่อลูกของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรงหน้าต่อนนี้พ่อแม่ต่างก็เอาอกเอาใจซึ่งกันและกันพอลูกออกมาเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามโตมาสักนิดเึงก็ผ่านลงวัดเองแล้วอย่างพูดไปเป็นด อ, อกพอแต่ลืมตาดูโลกเท่านั้นแหละเข้าถึงพระรานาตายแล้วพ่อแม่นี่ก็เอาพาไปวัดใส่คันห้าไปฝ่ายผูกแขนไปถาวายพระ ก็พูดอย่างเก่ามันยังพันเตกุมาโรโอถ้าเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงกับกุมารีหลังจากนั้นก็ปรกว่าพระวันตังสละนังขจติทร ม, มันจะพิขุสงคันจะอุปาสกังนังทาเลตุอจตะะัเคฟันเปตังก็ว่าไปลูกชายของข้าพเจ้าลูกสาวของข้าพเจ้าบัดนี้ ขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระทามพระงรงเป็นสารณะเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาตั้งแต่บัตรนี้ไปตลอดชีวิตนั่นเห็นไหมลูกเขาไม่เป็นกรรมภาพระทรงอาจารย์กัะพูเข็นทุกๆวันพระก็พาลงวัดนี่นะพ่อเจ้านี่นะแม่จะบอกลูกเอ้ยเนี่ยพ่อของเราก็เป็นลูกของพระหลังจากนั้นพราะทาังก็จะบอกพราะทาังก็จะสอน อย่าไปตีลูกนะในวันพระให้คอยพูกคอยจ้าบัดนี้ไม่ใช่ลูกของเราแล้วใช้ถ้อยคำให้ดีงามบอกแนะนำพำํมซอนอย่าไปปล่อย้าดาผีทุกวันนี้อะไรลูกไม่ดีเพราะว่าพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจปล่อยให้ลูกจเจริญเติบโตมากับโทรทัศน์กับวิทยุกับซีมวลชนกับนั่งกับละครเดี๋ยวนี้เรียกมา ลูกมันไหวก็ยังเกือบจะไม่เป็นมันเอามือค้ำซ้อนใต้คางแล้วก้หมหัวลงขาขอคารวะท่านผู้อบูโซมันเล่นหนังจีนเพราะพ่อแม่าทางวัฒนธรรมมันอยู่นู่นมันผิดกันกับสมัยก่อนนู่นนะสมัยก่อนนั้นเขาไม่เป็นกามา แต่นี้ลูกของเราก็เลยผ้ากันเต้นปลายเปลยเป็นบอกเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงเพลงสตริงคอมโบเสียงเพลงดิสโก้หัวเท่ากาปั้นยังไม่ทันได้โรงเรียนอ น, นุบาล น, นั่นมันเต้นจอกๆแยกๆมันเป็นลิ่งเมาเหล่าแล้วที่นี่มันกลายเป็นวอกไปหมดแล้วเพราะเหตุ น, นั้นลูกเต่าของเราเขาเจริญมาท่ามกลางวัฒนธรรมของโลกตะวันตกของฝรั่งมั่งค่าตั้งแต่เสียงเพลงก็เป็นเพลงฝร